อัลกุสซุมิลลาฮิราะห์มะนีราะหิม a l h a m d u والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสุขสมัติความร่หมจากอัลลอฮ سبحانه และมิลล่านะครับประสบแต่พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมทีทุกท่านครับอัญัิลนะครับขอตอนัทุกท่านนะครับสู่รายการัอักุราน วันนี้เราอยู่ในสุรรลุกมันนะครับในช็อตเลาะอายะที่31ถึงอายะที่34ถือว่าเป็นจิงอายะสุดท้ายของสุรรลุกมานเลทีเดียวนะครับอันทำดิลละนะครับเราใช้เวลาไม่กี่วันนะครับเราสามารถนะครับอาจจะอธิบายนะครับแต่เศษงกรานะครับทั้งหมดของสุรลุกมันได้แล้วอันทำดิลละนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่เรียนตั้งแต่วันแรกๆนะครับวันนี้เรยั้งกรานะครับแบบอ่านพร้อมกันนะครับทั้งทุกอายะในสุรรลุกมานแล้วก็ มาศึกษาความหมายพร้อมกันด้วยนะครับในชั่วโมงวันนี้อายัดที่ 31-34 พี่น้องที่เปิดดูรายการอยู่ตอนนี้นะครับฝา ก, กุดไลคกแชร์และก็หยิบอันกราดขึ้นมาอ่านพร้อมกับเราเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจะมีบาบอของเราอ่านนํานะครับอินชัลวโมงนะครับและก็ผมจะ น, นําเสนอความหมายเป็นภาษาไทยนะครับหรือคนที่มีอันกราดที่ฉบับแปลภาษาไทยเรียบ้ยแล้วนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับอ่านไปแล้วก็ดูความหมายไป พร้กัเราได้เลยนะครับช่วงต้นนะครับเป็นการอ่านกรานนะครับโดยรบอะนะครับตอฟมัชรออุบิลลาฮิมินชชัยนรอีอลัมตรนัลฟุลกตจรีฟิลบ์รบินมิลลาฮิลิ ลิยุริยากุมมิ่นอายาตีอนน้าฟลกลาอายาตลิับบาักเจ้าม่เห็นดอกหรือว่าเรือนั้นแล่นไปตามท้องทะเลเนื่องด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์เมื่อเพื่อพระองค์จะให้พวกเจ้าพวกเจ้าได้เห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์ แจิงในการ น, นั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้ที่อดทนผู้ขอบคุณทุกคน و ว ذ ا غ ก ي ا อ م موجك الظلم وإذا غشياهم موجك ا ุลล م دعو الله مخلصين له ีน د ะ ن فلما น, น และเมื่อลูกคลื่นซัดมาท่วมมิดตัวพวกเขาคล้ายฝาที่มาครอบคลุมพวกเขาก็วิงวอนขอต่ออัลลอ ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ขันเมื่อพระองค์ได้ช่วยให้เขาพ้นได้ขึ้นบกในหมู่พวกเขาก็มีผู้อยู่ในสายกลางและไม่มีผู้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเรานอกจากทุกผู้ทรยศผู้เนรคุณเยอะอยุหั น, นาส تقوا ربك وخشوا يوم لا يجزي والد لا يوم لا يجزي يوم لا يجزي والد نعوالدي ولا مولود هو ج ز و ا ل د ولا مولود هو جاز ع و ا ل د ِ ه شيئا إن وعد الله حق فلاتغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ال oh manut เ hey. อ้ย พวกเจ้าจงยำเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าเถิดและจงกลัววันหนึ่งที่พ่อไม่อาจจะช่วยลูกของเขาได้และลูกก็ไม่อาจจะช่วยพ่อของเขาได้แต่อย่างใดแท้จริงสัญญาณของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงดังนั้นอย่าให้การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ล่อลวงพวกเขาและอย่าให้หัวหน้าพวกล่อลวงคือชายตอน มาหลอกลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์เป็นอันขาดอินนัลลอฮฺอิดเดหอิลมุสซาอฺติ و ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسماذا تكسب قد แท้จริงอัลลอฮ์นั้นความรู้แห่งวันอวสานมีอยู่ณนะที่พระองค์และพระองค์ทรงประทานฝนลงมาและพระองค์ทรงรับรู้สิ่งที่อยู่ในมุดลูก และไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่มันจะหามาได้ในวันรุ่งขึ้นและไม่มีชีวิตใดรู้ว่าแน่แผ่นดินใดมันจะตายแท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรับรู้อย่างละเอียดที่ถ้วนครับก็อัลฮามดุลลาห์นะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับสุ ร, รุลุกมานอายะที่3 1อถึง34นะครับอยู่ในช่วงท้ายอยู่ในช่วง ท้ายของโซลอนี้ห้าอายะสุดท้ายของโซลอนก็ลยทีเดียวอันทำดินละนะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้พี่น้องท่านอื่นๆนะครับสามารถมาเรียนรู้ศาสนาพร้อมๆกันในเช้าวันนี้อันทมดินละนะครับอินชอนรอดนะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมครับท่านใดเหมือนที่มันที่กล่าวไว้ข้างต้นนะฮะท่านใดที่มีอันโกรานนะครับหยิบมาอ่านพร้อมกันนะครับดูความหมายไปพร้อมๆกันคนที่มีอันโกรานฉบับภาษาไทยเนี่ยดีมากๆเลยครับพี่น้องหยิบขึ้นมาตอนนี้นะครับแล้วก็ ดูความหมายไปพร้อมกันเลยไปการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในช่องล้อนะครับส่วนวันนี้นะครับบบบุรุอาเกมนะครับก็จะทำหน้าที่ในการอธิบายนะครับอุกาลาอายาที่สาสถึง34ีในส่วนลุกมานะครับโดยใช้หนังสืออิบนุกะซีรในวันนี้นะครับขอเชิญครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลออัลฮฺอัลลอลลฮฮฺฮฺอลลัอฮอล و ش bin و و و إلى الله ف ชั่วีกินะมุฮัมมัดบินอัลกามบิลลาฮ آل ه แ و صحاب ีแล ن د ั م ดับเยาะมีอิ ي สันอีลาเ ب อมีดีนอ ح ลลอฮ์มัฟถ้ ل พะในนั้นแล ا ใ ت น خ ้นกุลูบินาบิลฮัก ت ละดัชย์รุ่นฟาติ ب ินอัลลอฮ์มัฟถ้าพะในนั้นและใน ل ั้นกุลูบินาบิลฮักและดัชย์ ح ุ่นฟ ا ติหินอัล Allahumma فقِهْنَا في الدين و ع ل م ن ا ا ل ت َّ ي ن بِرَحْمَتِكَ يا أرحم الراحمين سَلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة اللهِ وبركاته سلام ขับก ah uh. ah. um. ็ขอสล l a ขอความรักความเมตา توف ิกดายะจงประสบเดพี่น้องผู้ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu Wa Taala พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่น้องชาวร a m a พี่น้องชาวมตกฟินที่กาลัง มุกมุนอยูม่มุมุนอยู่กับเรื่องของการทำอาลอิบาดาขอบพรอัลลอฮฺสุบานุอัตาลในช่วงสิบวันสุดท้ายของรอมดอนีจ uh, ีรน่ี้อ 1,444 ในวันนี้อัลฮัมูลิลลัลวะชุกรุลิลละขอชุกโกตอัลลอฮฺสุบานุวัตตาลขอขอบคุณอัลลอฮฺสุบานุวัตตาลที่อัลลอได้ให้เราได้มีโอกาสมาชรชีวิตร่รวมกับวหยุของอัลลอฮฺสุบานุอัตาลได้ชรชีวิต ร, ร่วมกับกาลามุลละ Um a um um um l l a h รบสำหรับนะอายะที่สาบอที่ทางอาจารย์ฮารูนได้แปลเป็นภาษาไทยไปเล่เมตะกี้เดี๋ยวผมก็จะสรุปอีกที่นผมก็จะอธิบายเพิ่เมเติมอีกที่หนึ่งในในส่วนของออบางช่วงบางตอนที่เป็นเนื้อหาสาระที่ทาง อุลมะหรือโมฟสัสซดีนได้อธิบายไว้เพื่อที่จะไ ด, ได้พวกเราจะได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมและลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับก็สำหรับอายะที่3าเอเกสุรุลุกมานในวันนี้นะสุรุลุกมานก็เป็นที่ทราบดีสรหรับพวกเราก็เป็นสุรามักกียก็จะเน้น เ, เกี่ยวกับเรื่องหัวใจเน้นเรื่องของอิมานกับอัลลอฮ์เน้นในเรื่องของอากีไดอิสลามีะ อักดัษสเฮียให้กับเราเพราะว่าอกกดัฮีอักดัที่ถูกต้องก็คืออกกดัที่ได้รับคาสอนอกกดัที่สอดคล้องอกกดัที่ได้รับเนื้อหาสาระจากคาพีของลสุภาณวตาลับในยัที่31บเอยัคบิรุณะตาลอนุลลีซัคราลบาฮระลิตจรยฟีอัลฟุลอัมรอบิลฟวัซีร คือในอายะที่31อก็เช่นเดียวกันคืออัลลอฮฺสุบะดาร่าจะบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ความความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาที่อัลลอฮฺจะให้พวกเราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ allah. อัลลอฮฺอายะท์อายะท์ของอัลลอฮฺก็คือว่าในอายะที่สามเอนี่ยอัลลอฮฺสุบะดาร่านั้นทรงให้เรือแล่นอยู่ในหมหาสมุทรจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่งจากท่านหนึ่งไปยังท่านหนึ่งนี่เหล่านี้ มันเป็นความสามารถของพระองค์ล่อแท้เลยเนื่องจากว่าน้ำในตัวน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะมีความสร้างความส ม, มดุลให้เรือได้เล่นได้ที่จริงแล้วบางทีอาจจะเรืออาจจะลงไปปั๊บเนี่ยอาจจะจมเลยก็ได้อาจจะล่มเลยก็ได้อาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปนข้างหน้าได้ถอยหลังได้ตรงนั้นนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นจะมีจะมี สิ่งพิเศษอยู่ว่าในตัวน้ําและก็ในตัวเรือในตัวไม้น่ะซึ่งประกอบด้วยหละสิ่งหลายอย่างที่ที่ที่อเลสซาบาดจอรลาทรงประทานให้มันไม่ใช่ว่าเราดูแล้วว่าดูมันว่ามีน้ํามีไม้มีเรือมีมีลมมีอะไรก็เรือไปได้เลยไม่ใช่แต่ว่ามันมันจะต้องมีคนสั่งมันจะต้องมีผู้สั่งมันจะต้องมีคนผู้ที่มีอํานาจสั่งน้ำเนี่ยสามารถที่จะเป็นสปริงขยับขยาย ยืดหยุนได้นะมีอาจจะมีคลื่นบ้างอะไรบ้างอ้ไมเรื่องปกติอ้ น, นี่เป็นเรื่องของปกติที่เราสร้างทะเลมาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเพื่อต้องการทีจะให้ผู้ศรัทธานั้นเพิ่ ม, มเพิ่มความศรัทธาเพิ่มความล้ําลึกเพิ่มความอีมานความเชื่อลงไปอีกว่านี่แหละคือรบนี่แหละคืออิละนี่คือละคอลิกนี่คือพระพบเบุทธเจ้าที่ที่เราจะต้องกราบไหว้บูชาแล ะ, ะต้องต่ออายยอมรับครับอนี่นี่ เกี่ยวกับเรื่องของเรือที่จริงแล้วถ้ามองผิวเผินเหมือนกับว่ามาพูดเรื่องเรือที่จริงแล้วเรื่องเรือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญเรือเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งที่มนุษย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในอดีตการนในสมัยโบราณนี่ก็จะใช้เรื่องเรือมาเป็นหลักเอาลมมาด่าให้น้ํามากกว่ามากกว่าบกมากกว่าแผ่น ด, ดินน้ำสามส่วนแผ่น ด, ดินหนึ่งส่วนและก็แสดงว่าในเรื่องของการสัญจรไปมาของมนุษย์ในโลกนี่ส่วนใหญ่จะเป็นทางเรือ แต่ก็เรื่องเรื่องของการเดินเรือเป็นเรื่องสำคัญตั้งแต่อดีตถึงสมัยปัจจุบั น, นแต่ว่ามนุษย์นั้นโดยเฉพาะคนยุคใหม่นี้จะดูมองเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นน้อยสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเรามีการเดินทางอากาศบ้างทางบกทางอากาศมันจะเรื่นขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วผมคิดว่าโลกยุคสุดท้ายนี้จะตอกลับไปหาเรืออีกกลับไปหารเนื่องอาจากว่ามีความมันเขาเรียกว่า พื้นที่โอกาสที่จะมีการสั่นโจรไปมานี่มันเป็นแค่กว้างขวางแต่ที่แน่ ๆ, ๆในๆในอายัดนี้มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺจะให้เราได้เห็นลิยูริยาคุมมินอายัติฮีมินอายัติฮีอิหนุกษิดอธิบายว่าไอมินอุตรตีฮีเพื่อจะให้เห็นถึงความสามารถของอัลลอฮฺอุตร์ของรัฐบาลศาสนาอัลลอฮ์มีสิ่งผาดอุตร์แต่ตรงนี้อายัติฮีหมายถึง เพื่อจะให้เห็นจะให้คำว่าเห็นตรงนี้หมายถึงจะให้คิดเห็นแลว้วก็คิดคิดแลว้วก็ศรัทธาลิโยระกุมินายาติครับต่อไปในช่วงท้ายของสุรร้อนเนี่ย ใ, ในช่วงท้ายของอายะนี้ขอโทษครับก็เป็ น, นก็เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่มีความอดทนส บ, บาร์ส บ, บาร์เอามาจากสบารา์เป็นสี่ข้อมุบาลแล้ก็ส บ, บาร์ผู้ที่มีความอดทนมาก ชกูดผู้ที่มีความขอบคุณมากคนที่อดทนคนที่ขอบคุณอลอลลอฮฺนี่จะได้รู้จะได้เห็นจะได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมุติว่าเราโฟกัสเป็นที่เรื่องของเรื่องตรงนี้ก็คือว่าคนที่ขีเเข่เรือเนี่ยพอขี่เรืออาจจะต้องเจอกับพายุจะต้องเจอกับคลื่นอพอขี่เรือไปพับเกิดว่ามีปัญหาเจอคลื่นเนี่ยเขาจะได้อดทนเขาจะได้อดทนต่อสู้ พอเขาขึ้นบวกเขาจะได้ขอบคุณอัลลอฮฺสุบานุวาตาลาแต่ในอายะหานี้อัลลอฮฺสุบานุวาตาลาพระองค์ทรงบอกกว้างแต่ถ้าเราโฟกัสลึกลงไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่ององเรื่อของผู้ที่ขี่เรือก็ได้นะสอบารินชาคูรเ so พราะว่าเรือจะต้องแล่นอยู่ในหมหาสมุทรแต่ก็ในหมหาสมุทรจะต้องเจอคลื่นครับนี่คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจากความหมายที่พอที่จะสรุปได้ครับนั่นกุลือสอบารินชาคูรไอ้อบารินฟิดดัลรอ ชกักกรฟิรอคอฟิลรอคอยติกตอนที่อาจารย์ตอนที่อยู่ในเรือชกักกรฟิรอคอตอนที่ขึ้นบกแล้วมันสบายแล้วครับนี่คื อ, อ, อส่วนหนึ่งจากเนื้อหาในอาย ท, ที่สาสิอต่อไปขออนุญาตมาที่อายัที่32ิองายที่32ิก็ต่อเนื่องจากอายัด ท, ที่31ิอวิสากรชาหุมเมาญุงกาซุลลีวิ ข้าชื่ออาหุมมองจึงกาซันบลลมาะอลอบเมื่อเราขี่เรือเนี่ยในที่สุดเราก็จะต้องเจอคลื่นกซุลอินุกัซออธิบายว่ากัจบาลีคลื่นเหมือนกับภูเขาเลยนะขึ้นเหมือนกับภูเขาวลกุมามและก็มีอากาศมืดฟ้ามัวมนขึ้นอากาศจะมืดฟ้ามัวมนจะมี แสงดําพื้นที่ชายทะเลหรือชายขอบฟ้าเนี่ยเหมือนกันที่เราเคยพวกเราเคยขี่เรือนในทะเลนี่นถ้าสมมุติว่าคลื่นจะมาเนี่ยพร้อมกับคลื่นนั้นจะมีมีความมืดมึนทึบก่อมานยีบ้านวลอลล่าก่อม่านเราบอกว่าเมื่อโมอยุนกัซซูเล น, นที่มีคลื่นมาหมาคลื่นใหญ่เหมือนดั่งภูเขาแล้วก็มีความ อ, อากาศ มืดฟ้าเมื่อมัวดินเนี่ยคนที่อยู่ในเรือนะโดยปกติแล้วดาวุลโลมุคลิสีลาหูดีนเขาจะขอดูอากับอัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจขอดูอาจากอัลลอฮ์เพราะเขากลัวว่าจะเกิดปัญหาเรือล่มเรือมีพายุมาพัดเรือแตกเขาบริสุทธิ์มาฉลองละประเด็นอย่างนี้บางทีพี่น้องพวกเราเนี่ยเคยเคยเจอเกือจะเจอทุกคนแล นะไม่ต้องถึงขนาดว่ า, าคลื่นเท่ากับวูเขาหรอกนะคลื่นเล็กน้อยก็เราก็กลัวแล้วนะแต่ตรงนี้อยากจะบอกว่านะมัน้วยสัญญาณญาณของมนุษย์เนี่ยจะขออุทากับอัลลอฮ์คนที่ไม่มีอัลลอฮ์คนกาเฟ่ที่ไม่มีอัลลอ์ก็ยังขอดุอาอยู่ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกับสิ่งที่เขาขรู้จักแตเขายังขออยู่ใ ห, ให้ให้ใครมาช่วยเขาในยามนั้นอนะ่านอะืม แต่ว่าฟลัมนาจ่าโุมเัลบอร์แต่ว่าเมื่อเขารอดพ้นไปถึงบนบกก็มินทุมมุกตสิทธิ์พอขึ้นบนบกปั๊บพอตีนขวาย่างขึ้นบนท่าเรือบนบกปั๊บเนี่ยเขาก็เฉยมุกตสิท์ตรงนี้เขาเขาอยู่ปันกลางเขว่าอยู่ปันกลางหมายถึงเฉยไม่ได้กระตือรือร้นเท่าไหร่นึกว่าเรียบร้อยผ่านแล้วสบายแล้ว ก็ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เท่าไรแหละคาว่ามุกตสิทธ์ตรงนี้ถ้าไปดูการอธิบายของมุญยาฮิตเนี่ยหนักมากมุญยาฮิตอธิบายว่ามุกตสิทธ์มี ม, มานากาฟิรคือทัศนะของของมุญยาฮิตบอกว่ามตรที่จริงแล้วจะต้องนึกนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดขอบคุณอัลลอฮ์อยู่ตลอดตรงนี้ย้อนไปที่สอบบาศกูนนั่นแหละผู้สถานั้นจะสอบบาแจากศกุน แต่อุลมะส่วนใหญ่นี่จะแจะแปอธิบายนะคําว่ามุกตศิษเนี่ยแปลว่าอัลมุตวะศิษฟิลามันคื อ, อาวางตัวปานกลางเช่อนอิมนเซ่ก็ดีเช่นท่านอื่นๆก็ดีในะท่านอื่นๆบรรดาสัฮาบะและบรรดาตาบีอินก็อธิบายส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่ก็จะอธิบายว่ามุกตศิษฟิลามันวางตัวเป็นกลางหมายถึงจะนึกถึงอรรถชุกโญเยอะก็ไม่จะ จากกูฟูรกับเนื้มาของ a l l a ก็ไม่จะอยู่ลักษณะอย่างนั้นว่ามาจะจะฮาดูบิอายาทินาอิลลากุลลอตริงกฟูรแต่ถ้าสมมติว่ามีคนที่ชิงชังกับอายะห์อายะห์ของ l l a h คนที่หลกกลวงกับอายะห์อายะห์ของ l l a h ยมาว่ามายจะฮดูบิอายาินาเนี่ยอิบนุกษิดไอธิบายว่าอยาจฮดูบิมานะ ขอโทอตอตานิกกฟูดนะครัว่าคัตตานคืออลัอลกูดารหรือกูดารมุจจัยฮิดอธิบายยานั้นฮัสซันบาสลีก็อธิบายอย่างนั้นก็จะไดเรียอิหมัมมาลิกหมายถึงว่ า, าพวกกลุ่มคอตตานและกลุ่มกฟูดผู้ที่หลอกลวงผู้ที่อธิบตปฏิเสธอัาาลลอฮ์ سبحانه และเท่านั้นที่จะที่จ ะ, จะปฏิเสธความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ ที่จะชิงชังกับความยิ่งใหญ่ของลอที่ไม่เห็นด้วยกับความยิ่งใหญ่ของลอที่จะไม่ศรัทธากับความยิ่งใหญ่ของลอจะไม่ยอมที่จะไม่ยอมรับกับความความยิ่งใหญ่ของอลอพวกกุลขัดตาดิงกาฟูดอย่างนี้ขัดตาหรือขักดกาฟกูดก็คือกุฟพวกกุฟพวกที่ไม่อิมานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นที่จะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ ที่จะไม่อดทนลไม่ขอบคุณอัลลอ์ทั้งทั้งที่อัลลอ์ได้ช่วยเหลือพวกเขาทั้งทั้งที่อัลลอ์ให้ทดสอบด้วยการมีคลื่นเข้ามาถาถมแล้วก็แล้วก็อัลลอ์ให้ปลอดภัยแต่เขาก็ยังเป็นคอตาร์และยังเป็นกฟูดอยู่กฟูดเนี่ยนี่ยูฮูลลินนิอัมลายาสกูรุฮบาลตานาซาฮวลายสกรุฮลืม นีคุณนะนะกัฟุตก็คือคนณนคุณต่ออัลลอฮสุบฮานุวตาลไม่ยอมรับความสามารถของลไม่ยอมเขายิ่งใหญ่ของลนะคือก็คือนคุณต่ออัลลอสุบฮานวตาลครับนั่นคืออายะที่32ต่อไปอนุญาตไปอ า, อายะที่สมสก่อนสุดท้ายนะอัลลอสุบฮานุวตาละกพระองทรงตรัสว่ายะ อ, ยอนนสนะ อิตั้กวะรับกุมวัชชอย่ามลยเจซีวะลิดูอวัลลิเดี๋ยวแล้วมูลุนวะยาซีอวัลลิดีเชียะจะกลุ่นถ้าอัลลอฮ์มุซิร์ลินัสยามละมาฮัดในอันนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เตือนตักเตือนมนุษย์ถึงวันเกียร์มาบอกมนุษย์แล้วก็เตือนมนุษย์ว่ามิโดนละหุมมิตะควาว والخوف มิหนูวลุชชีฮ์มิยาลกย เราสั่งให้กลัวอัลลอฮ์เราสั่งให้กลัววันเกียร์มาเลาสั่งให้กลัวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันมาอาดวันเกียมร์มนาะในอายะฮ์ที่สามสิบสามเนี่ยเราเรียกมัน เ, เราเชิญชวนมนุษย์ไม่ได้พูดกับผู้ศรัทธาอย่างเดียวแต่พูดกับบรรดามนุษย์ยาอิยูฮันนาสผูบ้บรรดามนุษย์เอย๋ยอิตตะกูรบบกุมจงยำเกรียงต่อพระเจ้าของเจ้าวาววชอยมลลลาาีินด เละจงกลัววันเกียาม้าวันเกียยม้าคืออะไรในในอาย่านีิอัลลอฮ์พูดวันเกียม้าก็พูดถึงวันเกียยม้าว่าคือวันที่พ่อจะช่วยเหลือลูกไม่ได้ลูกก็ไม่มีสิทธินะทธทท์จะช่วยเหลือพ่อไม่ได้ไม่มีสิทธิ์จะช่วยเหลือช่วยเหลือพ่อแต่ทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้เลยมึงมึงกูกูนับสีนับสี่สนะชัดเจนนะ จริงๆแล้วอยู่บนดุนยาเนี่พ่อกับลูกนี้ยังไงก็นะถ้าลูก ต, ติดคุกก็จะต้องยอมหมดหมดไร่หมดนาจะต้องขายจะต้องนะจะต้องไปวา ง, วา ง, ว, างวางสวนวางนาล่ะต้องขายแบบถูกๆขายเร็วๆเพื่อจะต้องต้องการจะให้ลูกไม่ติดคุกไม่ติดตารางนะช่วยจนวินาทีสุดท้ายานะแต่ว่าในวันเกียร์มานี่เอาเราบอกว่าวันลายเจสีวาลีโดน วาดีโดนก็คือพ่อแม่เ ว, วลาโมลูโดนโมลูตแปลว่าลูกนะวาฤทธคือพ่อแม่หรือพ่อโมลูตก็คือลูกอาจจะเป็นทั้งลูกชายลูกหญิงแหละคำว่าโมาลูตตรงนี้วาฤทธก็คือวาลีดาด้วยนะทั้งพ่อทั้งแม่นะครับช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันไม่ได้นะพ่อกับแม่เดี๋ยวเราพูดว่าพ่อกับแม่เนี่ย ที่จริงคนอื่นก็ช่วยกันไม่ได้แต่เอราพูดลูกกับพ่อพ่อกับลูกเนี่ยเนื่องจากว่าพ่อกับลูกก็คือเลือดเดียวกันลูกก็คือเลือดของพ่อคนที่รักที่สุดรองลองมาจากอัลลอฮ์ก็คือพ่อหรือลูกครับฉะนั้นอินนาวาดอ้อยฮักอัลล์บอกว่าสัญญาของอัลล์นั้นจริงเสมอนะไม่เป็นหมาจริงเสมอแน่นอะนะไม่เหมือนกับสัญญาของมนุษย์ และในส่วนท้ายของอาย่นี้อัลลอฮฺสัมบอาล า, ลาพระองค์ทรงตรัสโดยสรุปว่าชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของผู้ศรัทธาชีวิตของมนุษย์หรือชีวิตของผู้ศรัทธานี่อย่าให้ดุนยามาหลอกลวงสิ่งที่มาหลอกลวงเราประการที่หนึ่งก็คือหนึ่งดุนยาฟาลาตฮุรันนะกุมุลฮายาตุดุนยาแต่ประการที่สองที่จะมาหลอกลวงหลอกลวงเรากับอัลลอฮ์เนี่ยหลอกลวงเราให้หลงจากอัลลอฮ์ให้ลืมอัลลอฮ์ ไม่รักอัลลอฮ์ไม่ไม่ให้อิมานต่ออัลลอฮ์นี่คืออัลกอรูรคือชัยตอนคือหัวหน้าของของอิบลิสก็คือชัยตอนครับอัลกอรูรเนี่ยอิบนียกะซีนอธิบายว่าเน่ยนี orn, um il ้อัลชัยตอนววลายาฮูรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูร์อิบนียอับบาสก็อธิบายอย่างนั้นเหมือนกันนะ รูยอินอัลม์วดูยุม اه ิลละด๊อพละกตัดอิมบอกว่าไปนฮุยกรูยอิอลชัยตอนนี้จะลงลงลูกอาดมว่าอดูและสัญญากับลูกหลานอาดมว่าจะได้น่นได้นี่ว่ายุมันนีฮิละแล้วก็ให้ความหวังนะสัญญาแล้ให้ความหวังว่าจะได้นั่นได้นี่ขึ้นโลกอะมาหลกกรยพราะะุกรูน ประการที่หนึ่งคือเราถูกหลอกจากดุญยาดุญยาเนี่ยอาจจะไม่มีตัวตนแต่ ว, ต ว, ตวนาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ที่ไม่ดีที่ขัดกับหลักการของอัลลอ์หรือสิ่งต่างๆที่จะนำเราไปสู่การไม่รู้จักอัลลอ์การไม่มีสมาธิเกี่ยวกบเรื่อของโลกอัคิีรอนี่ก็เรียกว่าดุลยาหนึ่งประการที่หนึ่งนี้เราจะต้องระวังเรื่องของดุญยา ประการที่2ก็คือตัวของเชตตอรเลยตัวของมารายเลยตัวของอิมยิสเลยอสองประการ น, นี้เป็นสิ่งซึ่งที่เราจะต้องควรระวังอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นผูนสาา้สัาตว์หล่อรสบาดาลาครับอายัสุดท้ายของซุร้อนลุกมานวันนี้อายัสุดท้ายเนี่ยฮะดีฮอีอิมัมอิมุกซีดและมุฟัสิรูนอื่นๆก็อธิบายว่าฮะดีมาฟาติยะหลังเรบ ในายะสุดท้ายนี้เป็นกุญแจแห่งความลับเป็นกุญแจแห่งความลับเลยอัลลอฮฺอิสตาสรอหูตาลาเบนมิฮะเป็นคําว่าเป็นเป็นกุญแจแห่งความลับนี่หมายถึงว่านะห้าประการต่อไปนี้ที่จะกล่าวในในอายะนี้เนะีนะ่ยอัลลอฮฺสุบานุตาลาเพียงองค์เดียวที่จะรู้ได้คนอื่นไม่รูนะ้ผู้อื่นไม่รู้ยกเว้นคนที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้รู้นะฟลายะยาลฟลายะละมูฮะอาฮัด อินละบ้านใหญ่ละมีตาละบีหาไม่มีใครรู้ได้ยกเว้นหลังจากที่อัลลอฮ์ประกาศให้รู้เนะีน่ยที่สมสีนี้อัลลอฮ์สมัติรงกล่าวว่าอ <im itation> นะินนั่ลลอฮฺอินเดหูอิลมุสซ่าหนึ่งอัลลอฮนั้นนะพระองค์ทรงรู้เรื่องของวันเกียมันนะพระองค์ทรงรู้เรื่องวันเกียมันหมายถึงวันกียม น, มนษย์ไม่รู้ลบีก็ไม่รู้ บรรดารรซูลบรรดาอัมบิยก็ไม่รู้อัลล์ถ้าอัลลอ์ให้รู้น่อาจจะรู้ได้ผู้ใดที่อัลลอ์ให้รู้เขาอาจจะรู้ได้นะครับรรซูลไม่รู้ววลามลักอัลมุกรรบมาลายกัก็ไม่รู้และยาละมูฮูนบียุนมุรสซาลันววลามลักคนมุกรรบบมาชนอัลลอฮ์นั้นภาษาอะไรกับเรามนุษย์อัลล์กล่าวในสซอัลลอฮ์อารอฟ เอาสิบนชีตอนรัฐมลยอยจันลีฮาในวลที่ฮะอิลลัฮหัวนะไม่มีใครรู้ได้ถึงวันเวลาของการเกียมะยกเว้นพระองค์มาาลล้าช่ออมร์ประการที่สองวัยอยนัสซิรุลเกรซในประกาทีอินซัลุลรซลายาละมุฮอิลลัลลอฮไม่มีใครรู้ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไรนะฝนตกนีไม่มีใครรู้ได้แล ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموقف ลุ่นบียกเว้นว่าเมื่อพระองค์ทรงอนุมัติว่าจะมีฝนแล้วก็ให้บรรดามาลาอิกาที่ถูกมอบหมายเกี่ยวกับเรื่องฝนนี้รู้เขาเขาอาจจะรู้แต่เขาจะรู้ได้เพราะว่าการการที่ทําให้ฝนตกเนี่ย เป็นงานของลอร์เลแล้วเราก็จะมีมาลาอิก้าที่นะจัดบริหารจัดการแก่เรื่องฝนอยู่ว่าตกอย่างไรตกตรงไหนอย่างไรนะกลุ่มนี้ถ้าวลอร์มีคำสั่งมีพระบัญชาเข้าเข้าไปเนี่ยพวกเขาก็จะรู้แต่โดยนะหลักการแล้วก็ไม่มีใครรู้ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหรตรงไหนอย่างไรครับประการที่สวมกวียาละมุมมาพิลรหามลอ์ Allah ทำาน้นที่รู้เรื่อง ที่รู้เรื่องสิ่งที่มีอยู่ในมดลูกนะในมดลูกทั้งหมดนะบรรดามดลูกนะเขาจะามีลูกชายหรือมีลูกหญิงหรือว่ามีลูกตัวผู้มีลูกตัวเมียนะนบนรรดาสัตว์ต่างๆนะคนที่รู้ว่าเป็นนะจะเป็นชายเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยอรรถสุมาตราตอนที่รู้ วก ذلك ไม่ยอมรู e ้แม้ในอา م ์ م ามมิม ا ่มไม่ยูร ا ดว่ายัขลิควะห์ทั้งัลัวแต่ถ้าถ้าถ้ ا ถ้าถ้าถ้าถ ل าถ้าถ้าถ้ ا ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้ลถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถาถ้าถ้าถ้าถ้้าถ้า้าถ้าถาถ้าถ้าถ้าาถ้าถ้าถ้า้้ เผยให้รู้ก่อนที่เรื่องต่างๆจะออกมาสู่มาสู่โลกดุนยามาสู่บรรดามวลมนุษย์ก็แต่ในหลักการนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเช่าว่ามันช่าอัลลอฮ์มีคุณคิเรื่องคนที่อัลลอฮ์จะให้รู้ก็ได้นะอื่นอย่างมาลายกาที่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้รู้ก่อนยกตัวอย่างเช่นด้วยยกตัวอย่างง่ายๆสั้นๆ แต่ฉันว่ามีคนท้องอยู่ที่จริงและปกติไม่มีใครรู้วในคนเด็กๆในท้องจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแต่ว่าสมมติว่ามีมีหมอมีแพทย์ที่จะมาตรวจ ด, ดูโดยใช้กล้องวิทยาศาสตร์อย่างน้นอย่างนี้เพื่อจะได้เห็นจะได้รู้ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงสมมติว่าในเพศนั้นรู้แสดงว่าเอาล่ะให้เขามีความสามารถ ได้สามารถรู้ในระดับเองคงจะไม่ใช่เบื้องต้นนะะระดับปลายๆแ ล, ล้วก่อนที่จะออกมาแล้วจากจากบนลูกของมาดามครับประการที่สี่ต่อไปประการที่ห้าเมืัซซีบุอนประการที่สี่นะประการที่สี่มนุษย์จะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรเขาจะไปไหนเขาจะนะเขาจะเป็นหรือจะตายเา คือแค่วางแผนได้วางแผนโดยธรรมชาติของมนุษย์ว่าพรุ่งนี้ผมจะไปนั่นมาลนี้จะไปนั่นนี่แต่จริงๆแล้วในว่าแกะจริงๆแล้วนะเขาจะไม่รู้แล้วว่าเขาจะได้ทําอย่างนั้นหรือเปล่าเนะช่นว่าบางทีเราพรุ่งนี้เราวางแผนจะไปต่างจังหวัดแต่พอมาถึงจริงๆแล้วหลังซุปเฮก็มีนะมี ม, มีรายการอื่นเข้ามาโดยที่ว่าจำเป็นที่จะต้องอยู่บ้านประมาณนี้แนะสดงว่าเราไม่รู้จริงเนะพี้ย เก่งแค่วางแผนตามภาษามนุษย์ความจริงๆแล้วอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ยิ่งในสิ่งที่เราจะทำพรุ่งนี้หรือในวันต่อต่อไปเาบอกว่าก ต, ติ์ตตอรนับสมมาจากศีบุคเดนฟีดุนย า, าออคราทั้งเรื่องดุนยาเรื่องอคราวันอคราวันอคราเ า, าจะให้เราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ดุนยาเนี่ยก็ยังไม่รู้อครายิ่งไม่รู้ใหญ่ขนาดของพรุ่งนี้เรายังไม่รู้ ครับต่อไปกุญนแะจอดอกสุดท้ายหรือหาประการสุดท้ายนะในอายันี้ก็ห้าสิ่งนะสิ่งที่5เนี่ยที่เราไม่รู้ก็คือนะแผ่นดินที่เราจะเสียชีวิตหรือว่ากุ้โบที่เราจะฝังนะเราไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนนะเกิดที่เกิดที่จังหวัดนี้บ้านนี้แต่ว่าที่จริงแล้วบางทีอาจจะไปตายที่อื่น อาจจะไปตายต่างประเทศหรือไปอาจจะไปเสียชีวิตที่ต่างจังหวัดเราบอกว่ามาตดีนับซุนบียรอรดินธมูดนี่ในบัลลดิยารอารับนียร์เาดิ่บลลาาือไม่้นัรอราูดี่บาดิยรไม่นับนเีร์อีเรดนี่ายารที่เป็นเขาเรียกว่าในภาษาวิชาการอรเขาเรียกวาม่ัมาดิรอไนะ่งจง้นับซ ayah อีก a y ะหนึ่เนยสุราตนอัลอามที่อัลลอสมบัตาลาพระองค์ทรงกล่าวว่าเวอิอนดะหูมาฟาดิฮุลเรบนั่นอัลล์นั้นซึ่งมีมาฟาติฮุลเรบกุญแจกุญแจแห่งความลับหรือกุญแจลับลายาและมัวอินลาหูไม่มีใครรู้ได้ยกเว้นพระองค์เท่านั้นครับเดี๋ยวขออนุญาตมาอ่านฮะดษของท่านนบีบทหนึ่งซึ่งเรื่องนี้มีหะดิษนบีหลายหบทเลยย แต่ว่าอยากแนะนำพี่น้องมาดูแค่บทเดียวนะใน hadis ของยีมัมอัลกอมัดนะย่อกูลสัมย่ตุรอสูละอลลอฮิซุลลอฮิวะลิวะสัลลัมยกูลท่านอับดุลละเบนบุไรดะบอกว่าฉันได้ยินพ่อของฉันคือบุไรดะพูดว่าสัมย่ตุรอสูละลลอฮิซุลลอฮิวะลิวะสัลลัมยกูล บูเรดะ da, ซึ่งเป็นพ่อของอับดุลละท่นานได้ยินทา่านรอซูลพูดเป็นประจําว่าข้มซ uh ุนละยาลลมูหุนในอิลลลอมีอยู่ห้าสิ่งมีอยู่ห้าประการที่นะผู้อื่นจะอัลลอฮ์จะไม่รู้เลยยกเว้นอัลลอฮ์องเดีย่านั้นข้อมซุนละยาลลมูหุนในอิลลลออาซวาเยหลังจากนั้นเลท่านก็อ่านอายะนี้อ่านอายะที่เราอ่านเนี่ยอายะที่34มสของสุร์นะลุกมานเนี่ย นะเพราะในสุรลุกมา น, นีนะ้ก็จะบอกว่ามีอยู่5้าอย่าง5สิ่งที่ไม่มีใครรู้นอกจอากอลลอสซูบาในวันตลาดเท่านั้นครับกนะ็สำหรับการอธิบายรอบแรกของของผมในะในส่วนของนะสี่อายะในช่วงท้ายสุดของสุรลุกมานในวันนี้ก็คงจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับครับอับบนทำดินละนะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมผู้ติดตามรายการทุกท่านครับอันทำดินละนะครับ เพียงไม่กี่วันนะครับเราทำเนียร์แล้วตั้งแต่21 رمضان นะครับวันนี้วันที่เ่27 رمضان แล้วนะครับเราก็ได้อยู่กับตกซีอังกรานนะครับช้าๆแบบนี้ทุกวันอัาทำเนียร์แล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงสุดท้ายของอายานี้แล้วนะครับไม่ใช่สุดท้ายของรายการนะแต่เป็นสุดท้ายของอายาของโซร์ของโซร์นี้นะครับในย่าที่31ถึง34นะครับอายาที่31นะครับก็สามารถสรุปนะครับรวบยอดนะครับได้ครับว่า เราสุตตะลานะครับจะทดสอบชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทดสอบเรื่องกับกับอะไรก็ตามแต่นะครับแต่เมื่อเราทดสอบแล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการขึ้นเดินเรือนะครับเหมือนยังกรุณาในตรงนี้ก็ได้บอกว่าเรื่องของการเดินเรือนะครับดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนเรือนะครับหรือระหว่างเดินทางตรงนี้นะครับซึ่งถ้าพูดเรื่องเรือเหมือนที่ว่าครับเรือเป็นเป็นการเดินทาง แรกของโลกใบนี้นะครับเป็นการเดินทางข้ามฟ้าข้ามฝั่งนะครับจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีตั้งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุค ข, ของนบีโนโ น, นาะนบีโนโ น, นาะฮาเลซัมไปนะครับนะงั้นปัจจุบันเนี่ยการเดินทางทางเรื อ, อยังคงมีความจําเป็นอยู่เมือที่ว่าและก็สามารถขนส่งได้จํานวนที่มากที่สุดณเวลานี้ทางเรือดังนั้นออลก็เลยยกตัวอย่างนะครับเรื่องของเรือไว้ในอัลกุรอานตรงนี้นะครับว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินครับขึ้นบนเรื อ, เ, รอเนี่ยผู้คนจะแบ่งเป็น2กลุก่มด้วยกัน รเราสามารถเปรียบเทียบกับการเดินทางอื่นได้เช่นกันนะฮะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตของคนเราเนี่ยครับคนมันจะแบ่งเป็นสองพวกนะครับ 1. มุกตสิษย์นะครับมุกตสิษย์เนี่ยเขาจะเป็นบุคคลที่หนึ่งเขาจ ะ, ะ, ะเขาจะเป็นบุคคลที่รำลึกต่ออัลลอฮ์เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเขาจะนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนเลยไม่นึถึงอย่างอื่นแล้วก็เขาจะต่อด้วยกับชูโกรูรขอบคุณต่อร้องสุตลาทาราะเนให้เขานะผ่านผลไปได้ ทารอให้เขาผ่านพ้นไปได้นะครับนั่นคือกลุ่มคนที่หนึ่งะครับกลุ่มกลุ่มที่สองเนี่ยอยู่ในเรือลาเดียวกันนะครับแต่ถ้าเวลาเกิดเหตุสุดวิสัยแบบนี้นะครับบุคคลเหล่านี้เขาจะเป็นคอตเตอร์และก็กรฟูร์เขาจะเป็นบุคคลที่ทรยศแล้วก็เนรคุณวันที่อัลลอฮ์เนี่ยให้เขาผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้เนี่ยเขาจะไม่ขอบคุณต่อรอไม่รู้ต่อรอเลยนะครับเนาะ <c oughs> เขาก็บุคคลที่ไม่ขอบคุณต่อลอคือบุคคลที่ทรยศต่อลอสมบูหานตะลา คำว่าทรยศหมายถึงว่าคนคนหนึ่งที่อุตส่าห์เมตตาคุณแต่คุณกลับมองข้ามแล้วก็ไม่เอาใจใส่เขาเนี่ยบุคคลที่ทรยศเขาให้โอกาสให้ชีวิตแต่กลับไม่ขอบคุณเรียกว่าทรายศนะครับส่วนกัฟูตคือปฏิเสธนะครับหรือว่าเป็นคนเนรคุณนั่นเองนะครับน้องหมายถึงว่าเนรคุณเนี่ยตรงข้ามกับคําว่ากัตัญญูกัตัญญูรู้คุณหมายถึงว่าเขาอุตส่าห์แบ่งปันหยิบยื่นให้โอกาสแล้วถ้าเราขอบคุณเราก็เป็นบ่าวที่ดีที่เป็นมกติสิทธ์นะครับ แต่ตรงกันข้ามคนบางคนได้รับโอกาสจากอเล่มากมายหลายๆครั้งแต่เขาไม่ไม่ขอบคุณต่อเล่แต่เขากลายเป็นเนรคุณแทนกาฟูแทนนะครับังนั้นพี่น้องครับแขกเรื่องราตรงเนี้ยเราสามารถเอามาใช้ในชุดจริงเราได้เลยนะไม่ต้องการเรียนรู้แค่ปรติศาสตร์แต่ต้องให้อย่าให้ประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยมาสอนใจเราทุกคนนะครับใช้กับใช้กับอเล่ก็ใช้ได้ใช้กับผู้คนมนุษย์ก็ใช้ได้อเล่ให้ชีวิตเราให้เรามีกําลังให้มีความสมบูรให้มีความรู้มีความสามารถ ต้องโคขอบคุณต่อลอสสุบฮานาหัวตาลานะครับวันนี้ที่เรามีที่เราสามารถเดินได้พูดได้ออกอากาศได้นะครับหรือไปไหนมาไหนได้สามารถทํางานได้เงินเยอะๆได้เนี่ยเราเป็นผู้กระทํานะครับแต่ผู้ที่เป็นหมวัวเป็นหมัฟิกคือคนที่ให้ความสําเร็จนี่คืออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลางนั้นต้องขอบคุณต่อลอสสุบฮานาหัวตาลานะครับส่วนนะครับบุคคลที่เรื่องนี้เราสามารถใช้กับบุคคลได้เช่นเดียวกัน คนหนึ่งคนใดที่ให้โอกาสเรานะครับหยิบยื่นให้กับเราเนี่ยเราอย่าอย่าทําเฉยกับเขาหรือเมินเฉยกับเขาหรือไม่ให้คุณค่ากับเขานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับอุปสรรคเสสลันะครับหยิบยื่นในของที่เขามีให้มาให้กับเราเนี่ยนะฮะโดยที่เขาต้องเสียไปนะครับดังนั้นเมื่อเรารับในสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยต้องต้องรู้จักขอบคุณแสดงออก กับอัลลอฮ์เนี่ยแสดงออกเรื่องการขออุดมอาและก็ทําอามาณัณความดีต่างๆนั่นคือการขอบคุณต่อลรสสุบฮานตลาแต่ขอบคุณกับเพื่อนมนุษย์อย่างน้อยยะสกาโลไคลร้ อ, าารอนต้องกล่าวออกมาหรือแสดงออกเรื่องการกระทําอย่างอื่นเพื่อเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ขอบคุณนะครับบางคนขอบคุณมือนกันแต่ขอบคุณในใจบางทีบา ง, ง, างบางท่านเจ้าตัวเขาไม่ทราบดังนั้นเรื่องการขอบคุณี่สามารถแสดงออกมาได้นะครับนั่นคืออายะที่สาอดนะครับต่อมาอายะที่สาิสองนะครับอัลลอฮ์พูดถึง วันที่สมว่าเดินทางแล้วนะครับอยู่บนเรือนะครับ <the> <el Virginia> สมมว่าอัลลอฮฺให้คลื่นนะครับซัดถาถมขึ้นมามืดฟ้ามวลดินเหมือนที่ว่านะฮะคลื <sunscreen> ่นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับดังนั้นคนที่คนที่อยู่บนคลื่นเนี่ยนะครับเนาะก็เมื่อโดนซัดเข้ามาเนี่ยบางคนเขาก็จะวิงวอนขอดุทิต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละนะครับเขาจะวิงวอนขออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละนะครับ ส่วนบางคนเขาก็อะไระครับไม่ขอต่ออัลลอฮ์นะครับเขาก็ขอสิ่งอื่นจากอาลัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตานานั่นเองนะครับต่ถัดมานะครับวันที่ในสถานการณ์ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยนะครับวันที่อลัลลอฮ์ให้คลื่นซัดลงมาหรือว่าเหตุในวันที่เจอเหตุการณ์ขับขันในชีวิตนะครับ ไม่มีใครสามารถช่วยใครได้นะครับนอกจากอัลลอฮุบ ب า ا ن ه และ تعالى ต่อมาอายะห์ที่13บสาเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงได้บอกกับมนุษยชาติทั้งหลายนะครับให้เรานั้นยำเกรงต่ออัลลอฮุบ ب า ا ن ه และ تعالى นะครับและก็ให้เรานั้นกลัววันหนึ่งที่พ่อไม่สามารถช่วยลูกได้แล้วก็วันหนึ่งลูกที่ไม่สามารถช่วยพ่ อ, อ, พอได้และก็ไม่มีใครที่สามารถช่วยเหลือกันและกันได้เนี่ยอันนี้พูดถึงอหวันก็ย่มมันเกี้ย Ask, พูดถึงสภาพของวันเกียรมานะฮะพูดถึงสภาพของวันเกียรมาว่าวันนั้นเนี่ ย, น, าายนะครับตัวใครตัวมันนะครับไม่มีใครสามารถช่วยเหลือใครได้นะครับถึงแม้ว่าพ่อจะรักลูกมากขนาดไหนลูกจะรักพ่อมากขนาดไหนนะครับวันนั้นนะครับตัวใครตัวมันนะครับเอาตัวเองให้รอดก่อนนั่นคือสภาพของวันนั้นซึ่งมันน่าสะพึงกลัวมากๆเลยนะครับนั่นคือสภาพของวันเกียรมัดนะครับที่ คนที่รักที่สุดสามีภรรยาที่รักกันมากไปไหนมาไหนไปด้วยกันตลอดแต่พอถึงวันเกมมัสไม่ใช่ไม่รักนะแต่สภาพมันน่ากลัวมากที่ท่านตัวเองตั้งตัวไม่ได้ตัวเองก็จะเอาไม่รอดในวันนั้นดังนั้นสภาพคนเกมมัทุกคนคือนับสี่นับสี่นะครับตัวใข่ตัวมันนั่นเองนะครับต่อมานะครับพี่น้องที่รักเล่นมีเก็ตครับอายัสุดท้ายนะครับอายัสุดท้ายนยพูดถึง <c oughs> กฎ อ, อายัสุดท้ายตะกี้ตะกี้ลืมไปนะครับเรื่องของ เรื่องของการหลอกลวงนะครับการหลอกลวงของเชตรมนายนะครับเอาเราได้เตือนสัมทัพให้เราเนี่ยใช้ชีวิตดุนยาบนโลกใบนี้ด้วยความระมัดระวังนะครับระมัดระวังความสวยงามของดุนยาระมัดระวังความบริบรมสุขหรือว่าความสุขต่างๆที่เราคิดว่าสุขในดุนยาใบนี้ระมัดระวังให้ดีนะครับเนี่ยมักต่างๆที่เราให้มาหรือนะครับความสุขตามกระแสความสุขที่ผิดแต่เป็นความสุขต า, ามกระแสสังคมปัจจุบันเนี่ยนะฮะ อนนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับดังนั้นตร้รากเง้าของการหลอกลวงตรงนี้นะครับมาจากชายตอนมารได้โดยผ่านสื่อต่างๆที่เรลอยในปัจจุบันนะครับแต่ต้นตอนมันนั้นมาจากชัยตอนนั่นเองนะครับชายตอนไม่ได้มีหน้าที่อื่นใด น, นอกจากนําลูกหลานนาบีอาดัมเนี่ยหลุดพ้นจากความเมตตาจากองค์สุบฮาหนะ์นาวาตาลาแค่นั้นเองนะครับหน้าที่ของเขาดังนั้นบุคคลที่ลุ่มหลงกับทุนยาเท่ากับว่าเขาตกอยู่ในกับดักกลลวงของชายตอนนั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับอัลลอ์พูดถึงหลักอกักด้าของมุสลิมทุกคนนะครับจะต้องต้องมีความเชื่ออย่างแน่ว่ว่ามาฟาติฮลไลบิคอมสนเหมือนที่ว่าตะกี้นะครับกุญแจที่จะ <c oughs> เป็นเรื่องความเร้นลับที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากอัลลอ์สุบฮานวัวตาลาห้ารายการนี้นะถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งคนใดแอบอ้างว่ามีคนรู้เรื่องราวในอนาคตทั้ง5ข้อเ น, นี้ยนะครับ แสดงว่าคนคนนั้นเขาแอบอ้างว่าเป็นพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะเราบอกว่าไม่มีใครดูได้อิลลอล์นอกจากอัลลอฮ์องเดียวถ้าใครบอกว่าฉันรู้หมอดูบอกว่าฉันรู้หมอเดาบอกว่าฉันรู้คนที่ทํานายไทยทักบอกว่าฉันรู้แสดงว่าคุณนั้นแอบอ้างว่าเป็นอัลลอฮ์สุบฮานาห์ดาระเป็นพระเจ้านั่นเองดงั้นอันตรายมากๆนะครับฮะดีฟนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านบอกว่ามาฟาติฮ์ละไงบีคอมสนะครับ คิดว่าคุณแจรไข ค, ความลับหรือความลับที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้เนี่ยมี5ประการหนึ่งนะครับลายยะละมุฮาอิลลัลไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยนอกจากอัลลอฮฺซุบะฮานะฮุตะละหนึ่งลายยะละมูอฮาดุลมายาคูนูฟินนะครับไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงแม้เราอาจจะมีแพลนวางแผนว่าจะทําอะไรหนึ่งสองมสห้าใชฮนะอาจจะมีการคาดคะเนว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จะเกิดขึ้นจริงร้อเอร์เซ็์ แบบไหนอย่างไรนั้นไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยนะครับเป็นแค่เป็นการและต้องและถ้าพูดถึงพูดถึงเรื่องพวกนี้ต้องกล่าวอินชาอัลลอฮ์ด้วยเรื่องราวของอนาคตต้องกล่าวอินชาอัลลอฮ์ด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดอาจจะอจจะัลลอฮ์ไม่ให้เกิดขึ้นก็ได้หรือสิ่งที่เราไม่ได้วางแผนแต่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้ดังนั้นพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์ทรงอันตรายดังนั้นถ้าใครมาบอกว่าพรุ่งนี้คุณอันตรายนะครับออกจากบ้านถ้าคุณเกิดวันนี้และพรุ่งนนนีคเััอมปป็ไะรบ คนที่แอบอ้างหรือข่าวกล่าวข้าพูนแบบนี้ถ้ากล่าว่าเขานั้นแอบอ้างตัวเป็นพระเจ้ารู้สิ่งเงินลับนั่นเองนะครับนั่นคือประการที่1ประการที่สองระยะและมุฮัลลัดุดมายยะกุนอฟินอัลทามนะครับในมดลูกหรือว่าในท้องของผู้หญิงนะฮะในท้องของบรรดาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเรามนุษย์ใช้เครื่องมือเล็กน้อยที่สามารถคาดเดานะครับคาดคะเนต่างๆนะครับแต่ว่ากระบวนการอย่างแท้จริงนั้นไม่มีใครสามารถรู้ได้นะครับนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาตัลาเท่านั้นนะครับ ประการที่3มเวลาะตะละมูนนับสุนมัสตักซิบูกอดานะครับพรุ่งนี้นะครับคุณจะใครว่าได้รับอะไรในวันพรุ่งนี้นะครับก็ไม่มีใครดูได้ริสกีจะมาทางไหนได้รับเงินมาธ ก, กิบาทหรืออย่างไรนะครับไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาประการต่อมานะครับว่าว่ามาตาจารีนะับสุนบีไออารตินตะมูชไม่มีใครสามารถดูได้ว่าคุณจะไปเสียชีวิตในพื้นแผ่นดินใด นะครับในเมืองไหนในจังหวัดไหนในบ้านของเราไหมหรือที่อื่นที่มัสยิดหรือว่าที่ตลาดที่จุดหนึ่งจุดใดในโลกใบนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยนอกจากอัาลลอฮฺ سبحانه และก็ุตาสุดท้ายนะครับว่าลว่ามายดดาริอัฮัดุนเมตชะีอุลมตอรนะครับฝนจะตกเมื่อใดนะครับไม่มีใครสู้ได้เราอาจจะมีพยากรณ์อากาศาพยากรณ์อากาศว่ า, าวันที่29า ในเวลานั้นจะมีมืดมากอาจจะมีเมฆมากอาจจะมีฝนตกกี่เปอร์เซนต์ในจวัอันนั้นนันเป็นการคาดคะเนนะครับซึ่งอัลลอฮจะให้เกิดขึ้นตามเป็นนั้นจริงทั้งหมดหรือแค่บางส่วนนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะครับเราแค่เรียกว่ากลมอุตุนิยมหมายถึงว่ากลมที่เขาคาดคะเนความเป็นไปได้นี่ที่ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์นะครับการเดินของลม แล้วก็อาจจะมีฝนตกในเวลานั้ น, นันเป็นการการคาดเดาเป็นการคาดคะเนนะครับแต่จริงหรือไม่นั้นอยู่ที่อสุบหานาวัตาาาวตะหฤสุาานาีมนอิมบุคเรนะครับดังนั้นพี่น้องที่มีเกตครับสุดท้ายนะครับของโุเนียนะครับจบท้ายด้วยกับอากิดาหละครั้งมาพูดอกิดาระหว่างเรากับอสุหาาัตตะลาให้เรายึดมั่นนะครับให้มีความอยากตกลให้มีความมั่นใจกับอรรสุบหานาวตลาซึ่งมันเป็นขอ้อซรอยมันเป็นจุดเด่นของ ของโซลมากียอยู่แล้วที่ต้องการให้เรา ม, มีอกักขิณาที่ถูกต้องนะครับและก็ที่สุดของอกักขิณาคือว่าและอิลลัลลอฮฺปฏิเสธพระเจ้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อิสบัดนะครับอินลัลลอฮฺนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้นนะครับนี่คืออ า, อายะนะครับสามสบอ็ดถึงสาสิบสี่นะครับที่พี่น้องได้เรียนรู้พร้อมกันในวันนี้อทำเยลยแล้วนะครับก่อนที่จะให้บรรทิ้งท้ายนะครับก็ ทักทายพี่น้องนะครับที่อยู่ในรายการนะครับอันทำเนละอยู่กันหลายท่านเหมือนเดิมทุกๆวันเลยนะครับอันทำเนียละนะครับคุณสละอ่านว่าคุณสันคุณบอกว่าอันทำเนลยละมานะครับคุณยะอัสสลามอุลกุ๊มนะครับอัสลามครับพี่น้องรับชมจากไหนก็แจ้งกันด้วยนะครับชอนลพี่น้องจากเขาไพรนะครับสตูลนี่เองอันทำเนียละนะครับคุณดุนยาดารคุณอามินดารพง์บอกว่า รุ่นเป็นสิ่งที่คอยหลอกลวงมนุษย์ให้หลงไปจากอะไคระหรนะครับวันอายอมสุนบินละนะครับมินเซอร์เลยนะครับคุณโนเกียปาูกาพนสตอชัดเจนครับอันทมดินละนะครับคุณสวัยแชร์แล้วนะครับจากกรุงเทพนะครับอันทำดินละนะครับคุณสตีนมัรยัมบินอาดามนะครับสอนไอ้กุ้มนะครับวงศาลามครับนด้มาจากประเทศมาเลเซียนะครับอากาศค่อนข้างดีนะครับภาพแสงชัดเจนอันทมดินละนะครับโอเคนะครับ คุณกนีสาร ด, ดีบอกว่าสายกู้าัยทั้งสองท่านนะครับอะไรของสาระมาะต่อกับตัวครับจากมาเลเซียรัตกระดะนะครับไซบุรีรัตกระดะมาเลเซียทำเรียแล้วนะครับพี่น้องก็คนไกลๆนี้ไกล้ใบ้านเรานเนอไปอยู่ทํา ง, งานที่นู่นใช่ไหมฮะพี่น้องเราที่ใกล้กล้บ้านครับอันทำเรียแล้วนะครับก็พี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็พี่น้องอยู่ต่างในต่างประเทศนะครับก็อยู่ในรายการของเรานะครับวันนี้ไกลสุดนะครับน่าจะอยู่หลายจังหวัดและที่แจ้งมาไกลสุดก็เป็น จากกรุงเทพนะครับวันนี้ใกลสุดนะครับวันนี้เชียงรายไม่มานะฮะเชียงใหม่ก็ไม่ยังไม่เห็นนะครับมันทำอยู่นี่แล้นะครับก็เราก็ถือว่าปิดนะครับการอธิบายนะครับอายาที่1นึถึงสาวันนี้ส่วนตรงนี้เป็นการถอดบทเรียนนะครับตั้งแต่ดูว่าใช้เวลากี่ตอนหรือกี่ชั่วโมงในการถอดให้เป็นข้อๆมาเพื่อเป็นบทสรุปให้กับพี่น้องที่จะตามรายการได้ต้นถึงจบนะครับในช้อนล้อนะครับส่วนวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นเรื่องของหุ้งกลมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใจ สกัตสิตร้นะครับแล้วก็การละหมาดอีดสุนนะต่างๆในวันอีดด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันในวันถัดๆไปหลังจากนี้นะครับวันนี้ช่อง้ายนะครับขอเชนพบอนะครับฝากเขาคิดตันใจในช่อง้ายนี้ครับเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลลอฮบินะมดีต์อัมุสลิฮัดครับวนการส่งเสริมทั้งหมดเป็นของอัลลอฮฺ س ว ح ا ن ه และก็ ช่วงท้ายของรายการตับเสตยามชาบของเราในวันนี้ก็อยากจะฝากอ่าายหนึ่งของอันกุรอานคืออยายะที่6กสุกาฟิร์อับิลัชีตตอนีรจิมดูน um, ีอัจิบลกุมอุดูนีอัจิบลกุมอัลลสซาบานตะลาพระองค์ทรงตรัสว่าสูาชาจะาจงขออุดอ้อต้งขอดุดอ้อดอากับเราแน่นอน เราจะรับกับด u อาของเจ้าในอายะนีะ้เป็นการสอนเป็นการรณรงค์เป็นการใช้ให้เราในฐานะที่เป็นมนุษย์ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุภาตาลาเนี่ยจะต้องขอดูอาพี่น้องอย่าลืมเรื่องของการขอดัอากับอัลลอฮฺสุบานุวาตาลาอัอาเป็นอิบะดาอัม đ อาคืออิบะดาการขอดัอาเนี่ยเป็นอิบะดาอยู่ในตัวโดวยอัตโนมัติแล้ว เลกท่านนบีลุล่านละมท่านบีเคยพูดไว้ในหะดีสหนึ่งว่าอ ah ุดมคุณอิบะดาุดคือมันสมองของอิบาดะถ้าถ้าเปรียบเทียบ ว, ว่าอิบาดาคือร่างของมนุษย์เนี่ยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดของร่างในในเรือนร่างของมนุษย์คือมันสมองที่อยู่บนหัวที่อยู่บนจอมที่อยู่สูงกว่าเพื่อนฉะนั้นอิบาดาต่างๆนะอิบาดาที่สูงกว่าเพื่อนอิบาดาที่อยู่ อูที่หัวเลยนี่ก็คืออุดอัตดูอาอูมุคลอิบะดาทีเป็นมุขเป็นมันสมองของอิบัตานเลยและอีกหัดดิษหนึ่งนะท่านอบีได้พูดไว้ว่าอุัตดูอาอูศิลาฮุลมุหมินดูอาคืออาวุธของผู้ศรัทธาฉะนั้นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะคือผู้ศรัทธาที่มีอาวุธครบมืออ่าฉะนั้นอาวุธที่สําคัญนะอาวุธก็คือเป็นสิ่งที่จะมาป้องกันตัวของ ของของของคนของเราดัะนั้นสิ่งที่จะมาป้องกันตัวของผู้ศรัทธาก็คือดูอาดังนั้นอยากจะฝากพวกเรานะว่าทุกคนจะต้องมีดูอาและอ่านดูอาอยู่ตลอดนะไม่ใช่เพียงแค่หลังละหมาดอย่างเดียวจะต้องอ่านนะเมื่อไรตอนไหนเรานึกได้ก็ต้องอ่านตลอด ท, นะ ท, ลนะทุกการียบบทเลยทุกการียบบททุกการเคลื่อนไหวถ้าเรามีนะอย่างน้อยที่สุด ยามเช้ายามเย็นที่เราที่เราเรียกกันว่าด u าแบบอัสการดด ua มัซูดด ua ด ua มัซูร อ, นะดอาาสรด ua อัสการที่นะพี่น้องบางคนก็อ่านกันอยู่แล้วขนาดนี้จากนั้นก็อยากจะย้ําเรื่องของการขอดอากับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาให้มากที่สุดนะเพราะว่าทุกการเคลื่อน่วยของเราเนี่ยจะต้องไปไปพบไปเจอกับสิ่งบางทีสิ่งนั้นเป็นสิ่งอาจจาะทำร้ายเราหรืออะไรเราดนั้นทุกอย่างจะต้องขอดอาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ดูอาของเราจะต้องตั้งแต่ตื่นนอนจนทั้งถึงข้าวนอนเลยยังก็อยากจะฝากของเราฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูอาที่เราควรอ่านให้เยอะให้มากที่สุดในช่วงของสิบวันนี้ก็คือดูอาที่นบีสอนท่านยิงไงใช่ดูอาที่ว่าอัลลอฮฺอัลลอฮอุมะอินนักะอัฟวนทูฮิบุลอาฟวาฟะฟวอันนีอัลลอฮุมะอินนักะอัฟวนทูฮิบุลอฟวาฟฟอันนี และบางรายงานว่าอัลลอฮุมมาอินะกาอัฟุวนคารีมุนตุฮิบุลอาฟะฟะฟุอันนีอ่านให้มากที่สุดให้เยอะที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นดวอาที่เจาะจงเฉพาะในคืนเลตุลกอดเลยวันนี้วันที่ย7ิบเ็ดบางทีเลตุลกอดก็อาจจะเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อคืนก็ได้แต่เราอย่าสินา้นหวังวันวีเตรวันยังมีเหลืออีกสองสมคืน เฉพาะคืนที่29ก็ยังมีโอกาสอยู่ทัาอ้อานี้อย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเลยนะอย่าลืมชอลเราเราอ้อนด้อานี้ทุกอย่างจะปลอดภัยทุกอย่างเราจะได้รับความสุขทั้งดุยลยาและอาคีราอและอีกด้อาหนึ่งสั้นๆ น, นะถ้าถ้าพวกเราฟังทันแล้วก็จำได้เนี่ยคือด้อาให้เราได้รับคืนเลยตุลกัดอัลลอฮุมบัลลิกนะเลียตะลัตดรอัลลอฮุมบัลลิกนะ เลละตุลกัตดีนี่ขอให้เราได้คือละตุลกตบางทีพวกเราเฝ้าเฝ้าอยู่ตหักเราอยู่เฝ้าอยู่คืนตกเราแต่ไม่มีดูอาดูอาที่จะมาเจาะให้มันไดเร็วอ่ะให้มันไดจริงๆิงไดเรียวดูาอน า, น า, า, า, านะั้นก็มีอัลลอฮุมาบลิกนเลยละตุลกัตดนะรีว่าอัลลอฮมารซุกนะเลละตุลกัตดนะวะิกดีกาบานา่มีอีกคำหนึ่งวะติกดีอบนาแต่ก็ขอให้เราเรลดพ้นจกนากไฟนรก สุดท้ายจริงๆของชีวิตเราก็คือรอดพ้นจากเป็นอารมณ ต, ต, ตัวตัวชี้ขาดดัช น, นีตัวชี้ขาดจริงๆในชีวิตเราก็คือเราจะเข้าสวรรค์หรือตกนรกอันนี้แค่ทางผ่านที่กําลังดําเนินการที่กําลังใช้ชีวิตอยู่ขณานี้แค่ทางผ่านเพียงแต่ว่าทํำยังไงให้เราไป ไ, ปไปทางขวาให้ได้คือถนนสายขวาให้ได้ก็คือไปสู่สู่สวรรค์ของเรสสุนทรธรรมะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะฝาก พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังชาวรมฎอนชาวชาวซอิมินชาวบุตกีฟินนะพี่น้องผู้ศรัทธาต่อรัศานวาตาลานะครับก็ขออภัยเอาล่ะตอบรับด้อาอของพวกเราและอิบัตดของพวกเราละหมาดของพวกเราลุกัวของพวกเราสุยุดของพวกเราของพี่น้องทุกท่านทุกคนครับอัลิลลาฮิโตฟิกวลฮิดายะบัสซาลาบุอาเกุมารห์มตุลลาบรกาตุครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมนะครับนำลำนี้นะครับ คุณอัสลามนะครับรัตติการพันเถนะครับบอกว่าอันทำดีแล้วครับผมได้แชร์เข้ากลุ่มโรงเรียนสันติชนทุกวันเพื่อให้มวลรัฟได้มีความรู้และและพี่น้องมวลรัฟได้รับความรู้อย่างมากมายครับอาจารย์นะครับแสดงว่าพี่น้องเนีแชร์ไปกลุ่มที่หลากหลายนะครับก็คือกลุ่มนักเรียนมุสลิมใหม่นะครับของโรงเรียนสันติชนนะครับที่สวนมุสลิมใหม่ก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราด้วยนะครับมันทำดีแล้วนะครับพระคอรัสตรนะครับทรง แทนความดงดงมเก่ทุกท่านนะครับเราก็ทําหน้าที่นะครับที่นําสารของลอานสุตะลานะครับที่พระองค์ส่งมาให้เนี่ยเ พ, พื่อมอบให้กับพี่น้องนะครับส่วนพี่น้องท่านใดที่ด้วยกันแชร์ต่อนะครับแล้วก็ส่งต่อเรื่งราวตรงนี้ท่านกอนเป็นคนหนึ่งที่ได้เครีดดยร์ดันอดันอัลเนเคอรีกับฝ่ายอิลีบุคคลที่เชิญชวนผู้อื่นสู่ความดีแนะนําคนอื่นสู่ความดีแก่ฝ่ายอิลีฮีเขาเปรียบเสมือนว่าเขาเป็นคนทําเองวันนี้เราสนสองท่านหรอกสคน แต่พี่น้องไม่ได้สอนแต่พี่น้องแชร์ต่อเรื่องราวตรงนี้ถ้ากับว่าพี่น้องมีส่วนนะครับได้รับผลบุญในการสอนครั้งนี้ด้วยนะครับพี่ชอปลอ่นะครับก็ขอตัวจากน้องสุตะลานะครับขอรงสงตอบรับนะครับทุกๆการงานของเรานะครับแล้วขอให้เรานะครับกับเวลาที่เหลืออยู่อนที่ตรงนี้ในรอมฎอนนะครับก็ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นนะครับในการทหน้าที่ของตัวเองนะครับอำนาจของตัวเองที่ได้รับนะครับแล้วก็อยดูอาร์ที่บบบอกไวนะครับดูอารนะครับถึงแม้ว่ารอมฎ ในตอนกอทอาจจะต้องขอในกลางคืนแต่ในตอนกลางวันหรือเวลาอื่นใดนะครับเราสามารถขอด้วยว่าอื่นๆได้นะครับเรือาจจะมีปัญหาในชีวิตนะครับประสบปัญหาครอบครัวลูกหลานนะครับไม่อยู่ในศาสนาเด็กๆลูกหลานเราเสตินะครับหรือว่าริสกิมคับแคบไม่กว้างขวางเราก็สามารถขอตัวเป็นภาษาเป็นภาษภาษไทยในวันหนึ่งวันใดก็ได้นะครับเนาะอย่าลืมขอด้ว่าอยากได้อะไรก็ให้บอกอัลลอฮ์สุบฮาตนตะลาเพราะว่าช่วงเวลาที่อัลอ รับดูอาแบบไม่มีอะไรขวางกั้นเนี่ยมันจะมันจะหมดไปจากเราแล้วนะครับเพราะว่ารรเราบอดดอนเพียงแค่นะครับวันเท่านั้นเองนะครับวันนี้คงจากลาพิ้องทุท่านบนิ่งคานีนะครับยัสับมุลมลอฮ์ยรอนสัลลัมวะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮ์อบบะระกาตุด